นวโกวาทธรรมวิภาคจตุ ก, กะคือหมวดสี่วุติคือธรรมะเป็นเครื่องเจริญสี่อย่าง 1. สับปริสังเสวะคบท่านผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าสัตบุรุษ 2. ส, สัทธรมัสสวนณะฟังคำสั่งสอนของท่านโดยเคารพสม โยนิโสมนาสิการตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบ 4. ธรรมานุธรรมะปฏิปติประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งได้รองเห็นแล้วจากสี่หนึ่งปฏิรูประเทสวาสะอยู่ในประเทศอันสมควร 2. องอภริสูปัสยะคบสัตว์บุรุษ 3. อัตตสัมมาปนิธิตั้งตนไว้ชอบ 4. ปุเพกะตะบุญญตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนธรรมะสี่อย่างนี้ดุดล้อรถนำไปสู่ความเจริญ อคติสี่หน่ลำเอียงเพราะรักใคร่กันเรียกฉันทาคติ 2- ลงลำเอียงเพราะไม่ชอบกันเรียกโพสาคติ 3- ลำเอียงเพราะเขาเรียกโมหาคติ 4- ล่ลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยยาคติอคติสี่ประการ น, นี้ไม่ควรประพฤต อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่สี่อย่าง 1. อดทนต่อคำสอนไม่ได้คือเบื่อต่อคำสั่งสอนขี้เกียจทำตาม 2. เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้ 3. เพลดิดเพลินในการมคุณทยานอยากได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป 4. รักผู้หญิง ภิกษุสัมมเนนผู้หวังความเจริญแก่ตนควรระวังอย่าให้อันตรายสี่อย่างนี้ย่ำยีได้ประทานคือความเคียนสี่อย่าง 1. สังวรประทานเพียนระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน 2. อปหาณะประทานเพียนละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาปะทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน 4. อนุรักษนาปทานัทธนเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบให้มีในตนอธิษฐานธรรมคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่าง 1. ปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้ 2. ส, สัจจะความจริงใจคือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริง 3. จาคะสละสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความจริงใจ 4. อุปสมะสงบใจจากสิ่งเป็นค่าศึกแก่ความสงบ อิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่อย่าง 1. ฉชันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิรยิยะเพียรประกอบสิ่งนั้น 3. จิตตะเอาใจฝักไปในสิ่งนั้นไม่วางธุระ 4. วิมังสา มันตรีตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยควรทำความไม่ประมาทในที่สี่สถานหนึ่งในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตสอง ในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริต3ในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริต4ในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกอีกอย่างหนึ่งหนึ่งระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสอง ระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองสาระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงสีระวังใจไม่ให้หมัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาปาริสุทธิศีลสี่หนึ่ง ปาติโมกขสังวรสำรวมในพระปาติโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์อนุญาตสองอินรียะสังวรสำรวมอินรีหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องกวดทพะ รู้ทรมารมด้วยใจ 3. ปาชีวะปาริสุทธิเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตสปัจจยะปัจจะเวกขณะพิจารณาเสก่อนจึงบริโภคปัจจสี่คือจีวรบินทบาทเสนาสนะและเภสัตชไม่บริโภคด้วยตัณหา อารักะกรรมฐานสี่หนึ่งพุทธานุสติประลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่น 2. เมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า 3. อาอสุภะพิจารณาร่างกายตนและผู้อื่นให้เห็นเป็นไม่งาม 4. มรณสตินึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนกรรมฐานสี่อย่างนี้ควรเจริญเป็นนิดโลมวิหารสี่เมตตาความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุข 2. กรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุก 3. มุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสอุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติสี่อย่างนี้เป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่สติปัฏฐานส 1. หนึ่ง กายานุปัสสนา 2. เวทนานุปัสสนา 3. จิตตานุปัสสนา 4. ธรรมานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกกายานุปัสสนา สติกำหนดพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุ ป, ปัสสนาสติกำหนดพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแล้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เรียกจิตตานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมะนี้ก็สักว่าธรรมะไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเรียกธรรมานุปัสสนาธาตุ ก, กรรมฐานสี่หรือธาตุกรรมฐานสี่ ธาตุสี่คือธาตุดินเรียกปัตวีธาตุธาตุน้ำเรียกอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวายโยธาตุธาตุอันใดมีลักษณะแข่นแข็งธาตุนั้นเป็นปัตวีธาตุปัตวีธาตุนั้นที่เป็นภายใน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 มันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดธาตุอันใดมีลักษณะร้อนธาตุนั้นเป็นเตโชธาตุหรือธาตุไฟเตโชธาตุนั้นที่เป็นภายในคือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อย ธาตุอันใดมีลักษณะพัดไปมาธาตุนั้นเป็นวายโยธาตหรือธาตุลมวายโยธาตนั้นที่เป็นภายในคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจความกําหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่ คือดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าธาตุกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานอริยสัจสี่หนึ่งทุกข์ 2. สมุทัยคือเหตุให้ทุกเกิดสนิโรธคือความดับทุกข 4. มักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นของทนได้ยากตัณหาคือความทยานอยากได้ชื่อว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดตัณหานั้นมีประเภทเป็นสคือตัณหาความอยากในอารมณ์ที่น่ารักใคร่ เรียกว่าการมาตัญหาอย่างหนึง่งตัญหาความอยากเป็นโน่นเป็นนี่เรียกว่าภาวะตัญหาอย่างหนึง่งตัญหาความอยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่เรียกว่าวิภาวะตัญหาอย่างหนึง่งความดับตัญหาได้สิ้นเชิงทุกดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นความดับทุกข ปัญญาอันชอบว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้เหตุให้ทุกเกิดสิ่งนี้ความดับทุกขสิ่งนี้ทางให้ถึงความดับทุกขได้ชื่อว่ามักเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มักนั้นมีองค์แปดประการคือปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งดํมริชอบหนึ่งเจรจาชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่ง ทำความเพียรชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่ง